คนเราเต็ไมไปด้วยความทุกข์นะเราสวดมนต์นะเมื่อสักครู่ก็รู้แล้วแต่เป็นการสาธยายถึงความทุกข์ที่คนเราต้องประสบแค่เกิดมานี่ก็เป็นทุกข์ลวอยู่เฉยๆนี่ก็หนีทุกข์ไม่พ้นเพราะว่าแม้อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ยังต้องเจอความพัดพรากอีกสุดท้ายก็มีความตาย เป็นที่สุดยิ่งในบทสวดธรรมวัฒเช้านี้ก็ยิ่งเห็นชัดนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วในเมื่อชุดนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักหรือควรทําก็คือว่าอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้านะท่าน ท่นแนเอาไว้นะท่านพูด พ, พระพุทธองคนได้พูดถึงสิ่งที่เราพึงกระทำต่อความทุกข์และความสุขมีสี่ข้อนะสองข้อแรกนีนะ้เป็นเรื่องที่เราน่าพิจารณามากก็คือว่าข้อแรกนี่อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนหรือว่าอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองซึ่งก็หมายความว่านะอย่าไป หาความทุกนี้มาใส่ตัวให้มันมากเกินกว่าที่เป็นอยู่พอแค่นี้ก็ทุกพอแรงอยู่แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องหนีความยากลำบากอยู่ตลอดเวลานะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะเจอความยากลำบากบ้างเพื่อฝึกฝนตนอย่างเช่นที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ย ก็ลำบากกว่าเวลาเราอยู่บ้านอยู่บ้านนี่เราก็มีที่นอนอบอุ่นแล้วก็ตื่นสายก็ได้นะแต่มาที่นี่เราก็ตื่นตีสามอากาศก็หนาวอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นการฝึกฝนขัดเกลาตัวเองการที่พระชันสองมือหรือว่าชันมือเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองนะ แต่ว่าตรงข้ามมันกลับทําให้ชีวิตเบาสบายขึ้นเวลาพระออกทุดงเนี่ยก็ไปเจอความยากลาบากนะแต่นั่นเป็นส่วนของการฝึกฝนขัดเกลาไม่ใช่เป็นเป้าหมายในตัวเองแต่เป็นเป็นส่วนของการฝึกฝนให้รู้จักอดทนแล้วก็รู้จักลดละแต่ว่าที่พเจ้าพูดว่าจะเพิ่มความทุกให้กับตัวเองเนี่ยนะก็เช่นว่า การทรมานตนนะอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อวานนะการทรมานตนนะอันเนี้ยมันไม่ใช่ถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสารเสวนหรือว่าการทำความชั่วการผิดศีลเนี่ยก็ถือเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองนะเพราะว่ามันมีแต่สร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวเองพระพธเจ้าตัดว่าเนี่ยคนพานหรือคนชั่วเนี่ย ทกับตัวเองเหมือนกับเป็นศัตรูนะก็คือทําร้ายตัวเองนะคนพาลที่เขาหรือคนชั่วที่เขาทําอะไรต่ออะไรด้วยเอาด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งถึงกับไปขโมยของไปขโมยทรัพย์ผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยให้พวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการทําดีกับตัวเองหรือว่าเป็นการทำให้ตัวมีความสุขเลย น, นะกลับเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเอง อาจจะมีสุขชั่วคราวได้เงินได้ทองมาก็เที่ยวเตยหรือว่าซื้อรถซื้อบ้านก็ ส, กสบายแต่ว่าเป็นความสบายเพียงแค่ชั่วประเดียบประดาวแล้วก็จะตามมาด้วยความทุกข์ที่หนักกว่าเดิมไม่คุ้มกับความสุขที่ได้มาอีกควา ม, มาหนึ่งที่ลึกซึ้งนะของคำพูดที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองหรืออย่าเอาความทุกข์มาทับถมตน ก็หมายความว่าเวลาเรามีอะไรมากระทบให้เกิดความทุกข์ไม่ว่ากายก็ดีหรือว่าใจก็ดีเนี่ยเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปไปยึดเอาความเศร้าความโศกความเสียใจความโกรธแค้นเนี่ย มาทิมแทงตัวเองอถูกเข้าต่อว่านี่มันก็พอแรงอยู่แล้วนะก็ยังเก็บเอาคาต่อว่านั้นเนี่ยมาทิมแทงจิตใจตัวเองให้มีความเจ็บปวดโกรธแค้นน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้ก็เรียกว่ากาลังเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองหรือว่าเอาทุกข์มาทับถมตนตอนที่ที่มีความโกรธตอนที่ที่มีความเศร้าเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะสลัดมันออกไป ไม่ใช่คล อ, อเคลียรหรือว่าจมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนะแต่ธรรมชาติของคนเราก็มักจะเป็นอย่างที่ว่านะคือพอมีความเศร้าความโศกความเสียใจก็จะปล่อยใจจมดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองนะหรือว่าเวลาของหายเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเวลาของหายเงินหาย คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองมากไปกว่า น, นี้ก็คือหายแต่ของเสียแต่ของแต่ว่าใจไม่เสียแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็คือพอของหายแล้วก็เก็บเอามาเศร้าเสียใจท้านั่งที่มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยถแถมแย่ลงซะอีกเพราะว่าพอ เสียของแล้วเนี่ยใจก็เสียด้วยและพอใจเสียมากมากเนี่ยมันก็ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับตอมตรมอันนี้ก็เสียสุขภาพนะแล้วพอมีความเศร้าเสียใจมากๆกเนี่ยก็เสียงานไม่มีกำลังใจไม่มีสมาธิจะทางา น, นแล้วพอหงุดหงิดมากๆเนี่ยเวลาเพื่อนมาคุยด้วยก็อารมณ์เสียใส่เพื่อน นะโกรธเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่รับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนอาจจะพูดผิดหวนนิดเดียวเนี่ยก็ด่าเขาอันนี้เพราะว่าความความเศร้าเสียใจที่มันสะสมนะจากการที่สูญเสียเงินก็กลายเป็นว่าเสียเพื่อนไปเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มทุกข์รู้เอาทุกข์มาทับถมตนอันถ้าเราปฏิบัติตามคำสองของพระเจ้าข้อนี้คือว่า เมื่อของมันหายก็ให้มันหายให้มันเสียต่ของแต่ว่าใจไม่ทุกข์มีครูคนหนึ่งโดนโกงไปเป็นแสนนะเพื่อนยืมไปแล้วก็ไม่คืนนะ่แกเสียใจนะอะไรอววอแล้วโกรธแค้นมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ยอมพักผ่อนนะเหมือนก็จะทำร้ายตัวเองเป็นชนิดนานเป็นเดือนเลยนะแม่พ่อขอร้องให้กินข้าว ให้พักผ่อนให้ให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนแก่ก็ไม่ยอมงานการไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองนะเป็นการทับถมต น, นถ้าเราไม่อยากทำร้ายตัวเองเนี่ยเมื่อเกิดอ่ของหายหรือการพัดพรากเนี่ยเราก็ให้มันสูญเสียแต่เพียงเท่านั้นอย่าปล่อให้เสียมากไปกว่า น, นี้ เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนหรือว่าเสียสมรรถภาพบางทีอาจจะไม่ได้ระบายลมใส่เพื่อนแตระบายลมใส่ลูกใส่พ่อแม่ใส่คนรักอันนี้เราเ ส, สียสมรรถภาพนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการเอาทุกมาทับถมตนนะเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วนี่ก็อย่าให้มีความสูญเสียมาไปกว่า น, นี้นะซึ่งก็หมายความว่าต้องรู้จักปล่อยรู้จักวาง นะวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือการที่เราเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อใดก็ตามที่ใจเราอยู่กับปัจจุบันเนะช่นนครับที่เราเดินจงกรมใจแล้วก็อยู่การเดินจงกรมนะครัที่เราสร้างจังหวะเราก็อยู่การเคลื่อนไหวมือไปมาด้วยความรู้สึกตัวถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะทุกข์ร้อนนะอย่างน้อยก็ไม่มีความทุกข์ใจ อาจจะทุกข์กายบ้างเพราะว่านั่งแล้วเมื่อยหรือว่าเดินจงกรมโดนแดดส่องร้อนนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใจเราอยู่ที่หอไตรที่ศาลาฟังคําบรรยายนีย่ก็จะไม่มีอะไรไม่มีเหตุอะไรให้ทุกข์เลยแต่พอใจเราไม่อยู่ตรงนี้ใจเราไปอยู่กับแปอดีตนะกลับไปนึกถึง เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเงินที่ถูกโกงไป mm. เพื่อนที่เขาต่อว่าด่าทอเราหรือคนรักที่ทิ้งเราไปมันก็จะเกิดความโกรธความเสียใจความอาลัยอาวรมันเกิดขึ้นเพราะใจไม่อยู่ยกับปัจจุบันนะใจเนี่ยพัดหลวงไปในอดีตแล้วหรือไม่ก็ไปไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะเช่น พรุ่งนี้หลายคนก็จะได้กลับไปที่บ้านกลับไปกรุงเทพมองขนก็นึกถึงงานละงานที่ยังคาอยู่รัวนึกถึงพ่อแม่นะที่กําลังเจ็บกําลังป่วยลื้นนึกว่าในต้องไปรับผลตรวจสุขภาพหมอตรวจให้มารับผลก็กังวลแล้วว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่านีตัวอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอใจนึกถึงอนาคต อย่างที่ว่ามันเนี่ยเป็นยังไงก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีอันนี้เรียกว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทุกข์อะไรนะแต่ว่าเรามักจะเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการที่ใจเราเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอดีตกับอนาคตดั้าการที่เราเนี่ยรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันจะช่วย ช่วยขจัดความทุกข์ออกไปจิตใจออกไปจากจิตใจนะมันก็เจอเจอเลยแต่ความทุกข์กายนะปวดเมื่อยหรือว่าความทุกข์เพราะว่ามันต้องแก่ต้องชราไปตามธรรมชาติของสังขารแค่นี้มันก็ก็หนักพอแรงอยู่แล้วนะเราไม่ควรจะเอาทุกข์อื่นๆมาทับถมตนโดยเพราะทุกจากอดีตซึ่ง มันไม่มีทางที่จะแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นได้นส่วนสิ่งที่เป็นอนาคตนะมันก็ในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เรารักพ่อเราห่วงแม่แค่ไหนเนี่ยเราก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ขณะที่เราอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่บ้านเราอยู่บ้านแล้วเนี่ยเราถึงจะช่วยท่านได้เพราะในขณะที่เราอยู่ตรงนี้นะเราก็ทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็วางความกังวลออกไปอันนี้พูดไปเนี่ยข้อแรกนะที่พระเจ้าตรัสก็คือว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนหรือว่าอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กกบตัวเองข้อที่2องพระเจ้าตรัสว่าอย่าอย่าสละหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำนะความสุขที่ชอบทำก็หมายถึงความสุขที่ได้มาอย่างถูกวิธีนะเช่นเงินทองมันให้ความสุขกับเรา บ้านรถยนต์ให้ความสุขกับเราถ้าว่าเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ไม่สละนะไม่ละทิ้งนะเราก็รู้จักใช้ประโยชน์จากมันอย่างที่เคยเล่าไปเมื่อสองสมัีก่อนว่าเศรษฐีในสมัยพุทธกาลที่เมืองสาวิตถีคนหนึ่งแกรวยมากนะแต่ว่า ไม่เคยใช้เงินเนี่ยเพื่อทำความสุขให้แก่ตัวเองเลยอยู่แบบตรหนี่เหมือนคนยากคนจนกินข้าวหักนะแล้วก็เสื้อผ้าก็ปูปะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ฉลาดนะเป็นคนพานชนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาสละความสุขที่ชอบทำหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำมีเงินแล้วก็ต้องใช้นะแต่ว่าไม่ใชใช้เพื่อปลนเปรอ เทนั้นปนเปื้อนี่มันก็ก็เป็นทุกข์เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3ามแต่ว่าไม่ใช้เลยก็ไม่ถูกใ น, นความสุขที่ชอบทำเนี่ยนะประการแกรกก็หมายถึงสุขที่ได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและประการที่2ก็หมายถึงความสุขที่ไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครนะเช่นถ้า มีความสุขเพราะว่าไปจุดไฟเผาบ้านกขาเมีความสุขเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ละนะหรือว่าสุขบนความเดือดร้อนความชิพหายของคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่สุขที่ชอบทำแต่ถ้าเป็นสุขที่ชอบทำเป็นสุขที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยเราก็ไม่พึงปฏิเสธนะก็ไม่พึงสละแต่สุขที่ชอบทำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสุขที่เกิดจากการมีการเสพอย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดจากวัตถุ นะไม่ใช่เกิดจากเงินเท่านั้นแต่ความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แล้วในใจเราก็ได้ทุกขณะเนี่ยถ้าใจเราเนี่ยเป็นปกติเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าใจรอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะพบความโปรง่งความเบาความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันมันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะอยู่แล้วนะ ทุกขณะนี้เนี่ยเราก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนนี้ไม่เห็นนะพอไม่เห็นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองทุกการที่เรารู้จักหาความสุขที่ชอบทำเนี่ยนะมันก็มีวิธีการที่ทำได้หลายอย่างนะเช่นรู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะบางทีความสุขเนี่ย อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ว่าเรามักจะมองไม่เห็นหรือว่าบางทีก็ถึงกับปฏิเสธมันถ้าเราไม่รู้จักยินพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยนะไอ้ความสุขมันก็จะหลุดลอยไปจากเราได้ง่ายๆเกิดความทุกข์เข้ามาแทนที่หลายคนเนี่ยได้โชคได้ลาบก็น่าจะมีความสุขแต่ว่าเขากลับ กลายเป็นทุกข์ไปนะพราะเขาวางใจไม่ถูกต้องเช่นนะสิ้นปีเนี่ยได้โบนัสนะสองแสนนะก็น่าจะมีความสุขนะกับโบนัสที่ได้แต่หลายคนกลับทุกข์เลยนะเมื่อรู้ว่านะเพื่อนเขาได้โบนัสส0 0 0 0 0อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็จัดว่าเป็นการสละ ความสุขที่ชอบทํานะคือแทนที่จะเราจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้เรากลับเป็นทุกข์เนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทุกข์ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเขาได้ 200,000 แ, แต่เขาคิดว่าเขาเสียไป 10,000 แหรือว่าเขาไม่ได้ห0 0 0งแไอการที่มองแบบนี้มันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและทําให้ไม่สามารถจะได้ความสุขจากสิ่งที่มีสิ่งที่ได้ ถ้าเราเพียงแต่ชื่นชมสิ่งที่มีนะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายความสุขที่มันเกิดกับเราเราก็สามารถที่จะรับรู้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชื่นชมในสิ่งที่มีเท่าไหร่นะเพราะเขาคอยเขานึกแต่ว่าอะไรบ้างที่เขายังไม่มีเขานึกถึงแต่สิ่งที่เขายังไม่มีเขาก็เลยมีความทุกข์เด็กๆ เ, เนี่ยมีของเล่นเป็นร้อยชิ้นนะ แต่ก็ยังร้องไห้งองแงเพราะอะเพราะว่าเขายังไม่ได้สมาร์ทโฟนนะถ้าเขาลองเหลือไปสักหน่อยว่าโอ้ฉันมีของเล่นต้องเยอะแยะแล้วและเพียงแต่ชื่นชมสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาก็จะมีความสุขได้แต่พอเ้ามองเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่มีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาขาดนะคนเราพอรู้สึกว่าขาดรู้สึกพร่องเนี่ยก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วมีความสุขอยู่รอบตัวมีความสุขอยู่กับตัวแล้วเนี่ย แต่ว่าไม่เห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสละความสุขที่ชอบทําอย่างหนึ่งนะมนุษย์เราเนี่ยชอบมองเห็นชอบสนใจจดจ่อ ก, กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปไอ้สิ่งที่มีเนี่ยกลับไม่รู้จักชื่นชมมันให้เราลองดูเวลาเราทุกข์เพราะเราทุกข์เนี่ยนะเพราะเราชั่ายังไม่ได้มีอย่างงน้นยังไม่ได้มีบ้านยังไม่มีรถยังไม่มีตําแหน่งที่ น่าพึงพอใจแต่เราลองหันมามองว่าเออเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะพูโอ้เรามีสิ่งดีๆเยอะแย ะ, ยะนะเรามีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยเรามีตาที่มองเห็นนะหูที่ยังได้ยินปากที่ยังพูดได้มือเท้านะที่ยังสามารถพาเราไปไหนมาไหนได้เป็นอิสระถ้ามองแบบนี้เนี่ยแม้ เจ็บป่วยนะหรือว่าแม้พิการเนี่ยก็ยังมีความสุขได้นะเพราะว่าถึงแม้จะนั่งรถเข็นนะยังไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองแต่ว่าตาก็ยังมองเห็นหูก็ยังได้ยินกินอะไรก็ยังอร่อยอยู่นะอ่านหนังสือก็ได้ฟังเพลงก็ยังรู้สึกภัเราะเ่ยเพียงแต่เราชื่นชมสิ่งที่มีเนี่ยแล้วก็ อย่าไปสนใจสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายมากมันมีผู้หญิงชาวไต้หวันคนหนึ่งนะอายุ30แกเกิดมาพิการสมองสมองพิการเนี่ยพูดไม่ได้เดินก็ไม่ได้นะต้องนั่งรถเข็นแต่ว่าเธอเขียนหนังสือได้เอาคนที่พิการสมองนี่บางคนแม่บางคนนี่ อาจจะถ้ารว่าลูกพิการสมองตั้งแต่อยู่ในท้องก็อาจจะทำแท้งแต่ว่าเธอก็อย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยวังเมื่อเรีย น, นยโชคดีนะก็ได้เกิดมาแล้วก็แกรก็มีความภาคเพียร น, นะจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกนะมหาวทยาลัยที่มือชื่อของอเมริกา น, นะ c l a ซเมหาวิทยาลัยแห่งคลิฟอร์เนียที่ลอสแองเจลิส เดนยาเอกช่ไหน ะ, ะหลายคนที่มีสุขภาพที่มีร่างกายปกติยังไม่สามารถมีปัญญาได้เรียนได้ถึงขนาดนั้นเลยอันเธอก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากนะว่าพิการขนาดพิการนี้ก็ยังสามารถที่จะเรียนจนสําเร็จชีวิตก็มีความสุขและความสําเร็จควบคู่กันอันเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่างๆ วันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเธอบรรยายไม่ได้ด้วยปากก็เขียนเนาใส่กระดานพอบรรยายจบก็มีนักเรียนคนนึงถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรคําถามนี้ตรงมากนะที่ประชุมนี่ก็ห้องประชุมนี่ก็เงียบเลยนะเพราะปกติเขาไม่ถามคนพิการตรงๆแบบนี้ เราก็ไม่ใช่คำว่าพิการในสมัยนี้เราใช้คําว่าบกพร่องทางสายตาเนี่ยแทนที่ใช้ว่าคนตาบอดก็ใช้ว่าบกพร่องทางสายตาหรือ บ, บกพร่องทางร่างกายไม่ใช่คําว่าพิการแต่เด็กคนนี้ถามตรงๆว่าคุณเกิดมาพิการนี่คุณมองตัวเองอย่างไรวงางมเมลีรนก็ยิ้มนะแล้วก็หันไปเขียนที่กระดานว่าตอบเป็น ข, ข้อว่าฉันรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนะข้อ1ฉันเป็นคนน่ารักนะข้อ2 ฉันมีขาที่สวยข้อที่สพ่อแม่รักฉันข้อที่4พระเจ้าก็รักฉันนะเธอเป็นคริสข้อ5้าฉันมีแมวที่สวยงามข้อ6ฉันเขียนหนังสือแล้วว่ารูปได้แต่ที่ควรประทับใจคือข้อที่7จ็ดนะซึ่งเป็นการสรุปทั้งหมดที่เธอพูดนะก็คือว่าฉันเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีนะไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีคนพิการอย่างหวังเมลเลนเนี่ยมีความสุขได้เพราะเธอมองเห็นแต่สิ่งที่เธอมี ไอสิ่งที่เธอไม่มีหรือว่าบกพร่องไปเธอไม่มองเธอไม่สนใจอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ไดนะ้เราได้มาเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่แล้วก็ชื่นชมเห็นคุณค่าของมันแล้วก็มีความสุขได้นะถ้าเราลองนะลองมองสิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ไม่มีนะเราก็จะมีความสุขได้ง่าย ไทยเขามีเท่าไรนะฉันไม่สนใจเพราะถ้าเราไปสนใจเราก็จะสึกเปรียบเทียบว่าฉันมีน้อยกว่าเขาและนั่นทำให้เป็นทุกข์เวลาเวลาคนม า, มาฟังธรรมนะบางครั้งก็มีการแจกหนังสือธรรมะบางคนเนี่ยนะพอได้ก็ดีใจแต่พอรู้ว่าหรือพอเห็นว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยเขาได้ไม่ใช่ได้หนึ่งเล่มเหมือนตัวแต่ได้สองเล่ม เขาสึกเสียใจเลยเขาเสียใจเพราะอะไรเขาคิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้หนึ่งเล่มเขาคิดว่าเขาขาดเป็นหนึ่งเล่มทั้งที่ถ้าเขาคิดว่าเขาได้หนึ่งเล่มเนี่ยเขาก็น่าจะมีความสุขน่าจะดีใจเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้อัตมาเคยไปบรรยายนะบรรยายที่หอจดหมายเหตุนะบรรยายจบบรรยายจบเขาบอกว่าเนี่ยมีหนังสือติดมาแต่หนังสือไม่พอนะก็ต้องก็จะต้องมีบางคนที่ไม่ได้ ก็พึ้งแรกก็หนังสือเป็นหนังสือเล่มเล็กขนาดเท่าฝ่ามือมาแจกนะคนก็มาออ ก, กันได้ไปก็ดีใจพอหมดปึ้งแรกก็เอาปึ้งที่สองมาคร น, นี้เป็นปึ่งที่ใหญ่กว่าเป็นหนังสือที่ใหญ่กว่านะขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กไอคนที่มาทีหลังก็ได้ไปคนที่ได้หนังสือเล่มเล็กนะทีแรกดีใจแต่พอร่ว่เพื่อนได้หนังสือเล่มใหญ่ก็ศึกเสียใจมีบางคนก็มาขอแลกนะเอาเล่มเล็กมา แรกเพื่อจะเอาเล่มใหญ่นะทั้งที่เขา ย, ยังไม่รู้เลยนะว่ายังไม่รู้เลยว่าเล่มเล็กเนี่ยมันมันดีสู้เล่มใหญ่ได้หรือเปล่าแต่เพียงแค่ได้เล่มเล็กก็ไม่พอใจแล้วนะมาขอแรกเอาเล่มใหญ่อันนี้แปลว่าอะไรป้าเขาไม่ได้มองว่าเขาได้แต่เขามองว่าเขาเสียนั่นแทนที่ฉันจะได้เล่มเล็กเพรันเสียเล่มใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าสละความสุข ที่ชอบทำนะคือแทนที่จะมีความยินดีนะในสิ่งที่ได้มันก็กลับเป็นทุกข์อันนี้เรื่องการที่ไม่สละหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันยังรวมถึงว่าเรารู้จักเปิดใจรับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัวด้วยคือนอกจากชื่นชมสิ่งที่มีแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักเปิดใจรับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัว จริงความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะมันอยู่รอบตัวเรานะเพียงแต่ว่าเรามักจะปิดใจไม่ไม่เปิดรับความสุขนะมีเพื่อนอมาชคนหนึ่งเนี่ยนะแกเป็นไส้เลื่อนก็ไปผ่าที่โรงพยบาบาลหลังจากนั้นก็มาพักฟื้นที่บ้านปกติแกเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานเกี่ยวคอมพิวเตอร์ทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเป็นคนที่ขยัน แต่พอผ่าไส้เลื่อนเนี่ยแกต้องพักฟื้นเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งทาอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยเนะก็เลยต้องนั่งหรือไม่ก็นอนอย่างเดียวอ่านหนังสือได้บ้างแกเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะก็บ่ายๆทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยไปนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านนี้อยู่ชานกรุง ก็มีต้นไม้มีบริเวณใบแก่ๆนี่ก็อยู่ๆก็ได้ยินเสียงนกร้องทีแรกก็นกเขาร้องตัวหนึ่งก่อนต่อหลังตัวที่สองตัวที่สามก็ร้องตามมาคราวนี้ก็นกก็ร้องประสานเสียงกันแกฟังแล้วก็รู้สึกมันไพเราะมากเลยไพเราะจนเรียกว่ า, าเกิดความปิตินะถึงกับน้ำตาไหล จากแล้วแกก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะบ้านนี้แกสร้างมาเนี่ยแกอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่ลูกสาวนี่ยังอายุสามสี่ขวบตอนนี้ลูกสาวใกล้เกือบจะจบมหาวิทยาลัยแล้วแกอยู่บ้านนี้มายี่สิบปีแล้วทําไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องคําถามคือนกมันพึ่งร้องหรือเปล่ามันพึ่งร้องวันนั้นหรือเปล่านกมันไม่ได้พึ่งร้องวันนั้นมันร้องทุกวันแหละแต่ทําไมเขาไม่ได้ยินทำไมเขาเพิ่งได้ยินวันนี้นะ ที่ผ่านมาเนี่ยใจเขาไม่เคยไม่เคยว่างใจเขาไม่เคยเปิดรับเสียงที่ได้ยินอยู่รอบตัวใจเขามีแต่การคุ้นคิดนะคิดถึงเรื่องงานการบางทีก็คิดไปถึงอดีตไปอนาคตใจเขาเหมือนน้าเหมือนแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มงั้นเติมน้ำอะไรไปมันก็ล้นหมดแล้วมันก็ดันเป็นน้ำที่ขุ่นซะด้วยนะ เติมน้ำสสยลงไปน้ำใส่นั่นก็ล้นออกมาหมดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยใจแกเปิดใจแกโล่งเพราะแกไม่มีแกไม่ได้ทำงานเป็นช่วงเวลาที่วางมือวางงานอย่างแท้จริงใจก็เลยเปิดใจก็เลยโล่งพอนกร้องก็เลยได้ยินแล้วก็รู้สึกเลยนะว่ามันไพรอะมากแล้วแกก็พบว่าจริงๆความสุขนี่มัน มีอยู่รอบตัวแกตลอดเวลาแต่แกไม่เคยสังเกตเนีอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเพียงแค่เราเปิดใจให้ว่างหรือกว้างพอเนี่ยก็สามารถที่จะรับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้ความสุขเหล่านี้ก็เป็นความสุขที่ชอบทำนะเพราะว่ามันมีอยู่รอบตัวเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันมีอยู่กับธรรมชาติ แต่คนเราก็ปฏิเสธหรือว่าสละความสุขเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจเรามันไม่ว่างนะเขาก็ได้บทเรียนนะได้ง่คิดมากทีเดียว น, นะว่าโอ้จริงๆความสุขไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลนะมันอยู่รอบตัวเรานี่เองเพียงแต่ว่าใจเราจะเปิดหรือไม่เท่านั้นเนะีนะ่ยเพราะฉันเนี่ยเรื่องการที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยไม่สละไม่พึงสละความสุขที่ชอบทำเนี่ยนะ มันก็มีความหมายรวมไปถึงว่าเราต้องรู้จักนะมองเห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวหรือมองเห็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเราแล้วด้วยการชื่นชมสิ่งที่มีรวมทั้งรู้จักเปิดใจรับความสุขบ้างนี่ข้อข้อข้อที่สองแล้วนะข้อที่สามเนี่ยนะก็จะพูดเป็นการทิ้งท้ายเอาไว้ข้อที่3พรเจ้าตรัสว่าไม่พึงสยบ ในความสุขที่ที่มีแม้เป็นความสุขที่ชอบทำก็ไม่พึงสยบโมวเมาหรือว่ายึดติดนะเพราะว่าความสุขที่ชอบทำเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงยังไงก็ต้องแปลเปลี่ยนไปไม่วันใดก็วันหนึ่งรวมทั้งความสุขจากการที่มีตามองเห็นธรรมชาติความสุขที่เกิดจากหูได้ฟังเสียงนกร้อง สั ก, กวันหนึ่งนะความสุขที่ว่ามันก็จะหดหายไปเพราะว่าตาเริ่มฝ้าฟางหูกเ็เริ่มจะหนวกนะรวมทั้งความสุขจากวัตถุต่างๆความสุขจากคนรักทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเพราะนถ้าเกิดว่าสยบมัวเมาหรือว่าไปยึดติดในความสุขเหล่านั้นมันก็จะเกิดทุกข์ตามมาในที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะ ไม่ปฏิเสธไม่สละความสุขที่ชอบทำแต่เราก็อย่าไปยึดติดนะเราต้องรักษาใจให้เป็นอิสระให้เป็นนายความสุขไม่ให้ความสุขมาเป็นนายเราหรือไม่ใช่เราเป็นทาสของความสุขนะฉะงคนที่แม้จะทำความดีนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีทอง มียศศักดิ์อักราฐานนะก็ต้องตระหนักว่าอของเรานี่มันไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปหรือแปลเปลี่ยนไปเนะพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าไปลหลงไหลยึดติดกันมันมากนะต้องทําใจเผื่อว่าสักวันหนึ่งนะมันก็จะต้องเป็นอื่นไปหรือว่าทําใจตั้งแต่แรกว่ามันไม่มันไม่ใช่ของเรานะนั่นะถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยถึงเวลาที่ เกิดความผันปวนแปรปรวนน้ำท่วมฝนแรงแผ่นดินไหวนะพัดพาทรัพย์สมบัติไปเราก็ยังเป็นสุขอยู่ได้หรือเป็นปกติแต่ถ้าเราวางใจไม่ได้นะแบบที่ว่ามาเนี่ยพอสูญเสียไปนะมันก็จะไม่เสียไม่ใช่เสียแต่ของจะไม่เสียแต่คนรักนะแต่ว่าอาจจะเสียสุขภาพ นะหรืออาจจะเสียชีวิตก็ไดนะ้เพราะว่ามีความตรอมตรมดังนะนั้นการที่เรารู้จักนะรักษาใจไม่ให้สยบมัวเมาในความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันก็จะไปเสริมกับข้อแรกก็คือว่าไม่เพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองหรือหรือไม่เอาทุกข์มาทับถมตนนะเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้ ข้อสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าตัดว่าให้รู้จักภาคเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกหรือว่าทำทุกให้มันหมดสิ้นนะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่สำคัญทีเดียวนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ไม่ภาคเพียรพยายามที่จะทำเหตุแห่งทุกให้หมดไปเนี่ยไอ้ความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราซ้าแล้วซ้าเรา สาแห่งทุกข์ที่ว่านี่นะท่านหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในใจนะทุกข์ที่ว่านี่หมายถึงทุกข์ใจสายแห่งทุกข์ก็คือความยึดติดถือมัน่นนะความหลงความไม่รู้อวิชชานะถ้าเรายังไม่สามารถจะละสิ่งเหล่านี้ได้นะให้ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์กใจด้วย ทุกกายนี่คงจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าสังขารเนี่ยร่างกายเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บหมอที่เก่งในการรักษามะเร็งนะคนแล้วคนเล่าเนี่ยก็ตายพเพราะมะเร็งที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญได้ซ้ำํำนะขนาดตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งของคนอื่นแต่พอตัวเองเป็นมะเร็งก็กลับไม่สามารถจะรักษาตัวให้ปลอดจากโรคนั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะ แต่พรอมันเป็นธรรมดานี่แหละนะที่ทำให้เราเนี่ยตระหนักว่าไอ้ความเจ็บความป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหนีได้แต่ว่าถ้าป่วยแล้วเนี่ยมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยอันนี้ทำได้เพราะว่าเรารู้จักน ะ, ะสามารถที่จะวางจิตวางใจได้ถูกวางจิตวางใจได้เป็นซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่เราเพียพยายามในการทำเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันก็คือการพยายามที่จะทําให้เรานะีไม่เพียงแต่ไม่สร้างทุกข์มาทับถมตนเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมก็ยังสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขที่ชอบทำที่เรามีอยู่แต่เราไม่เคยคิดว่ามีอยู่ก็คือความสุขในจิตใจนะและความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและวมันก็ช่วยๆทาให้เราเนี่ย เป็นอิสระจากความสุขที่ชอบทำให้สยบมัวเมาได้และถ้าเราภาพเพียรอย่างเต็มที่นะมีปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะไม่เพียงแต่ได้พบความสงบใจแต่ว่าเกิดปัญญาเราก็จะสามารถที่จะทำเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปได้เหี่ยก็ฝากเอาไว้นะท่าทีต่อสุขและทุกข์นะสีประการนี้มันมัน เป็นประโยชน์แล้วมันจำเป็นมากนะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตทางโลกหรือทางธรรมเราคำนี้ก็พูกกันนท่านี้นะครับพระ